เสียงอ่านพุทธวจนะจาก e b t p e d k a online com ในเรื่องเวลาหกสูตรที่หนึ่งจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่21พระสธตรต่างปิฎกเล่มที่13าอังคุตรนิกายจตดการบิดา หน้าที่หนึ่งร้อยสองทับสอง้สี่สิบข้อที่หนึ่งหนึ่งตติยปัญ น, นาวาลาหกวักที่หนึ่งวาลาหกสูตรที่หนึ่งหนึ่งย์หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแหล พระผู้มีพระภาคตรัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกนภิกษุทั้งหลายภิกษุเ ห, เหล่านั้นทุนรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกนภิกษุทั้งหลายวลาหกคือเมฆสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นไฉนคือวลาหกคำรามแต่ไม่ให้ฝนตกอย่างหนึ่งให้ฝนตกแต่ไม่คำรามอย่างหนึ่ง ไม่คำรามทั้งไม่ให้ฝนตกอย่างหนึ่งคำรามด้วยให้ฝนตกด้วยอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายวาลาหกสี่อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายชันนั้นเหมือนกันบุคคลเปรียบด้วยวาลาหกสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไฉนคือบุคคลดุดวาลาหกคำรามไม่ให้ฝนตกจำพวกหนึ่ง ดุดวาลาหกให้ฝนตกแต่ไม่คำรามจาพวกหนึ่งดุดวาลาหกทั้งไม่คำรามทั้งไม่ให้ฝนตกจำพวกหนึ่งดุดวาลาหกคำรามด้วยให้ฝนตกด้วยจำพวกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดุดวาลาหกคำรามแต่ไม่ให้ฝนตกอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ชอบพูดแต่ไม่ชอบทำบุคคลเป็นดุดว่าลาหกคาราม แต่ไม่ให้ฝนตกอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่าลาหกคำรามแต่ไม่ให้ฝนตกแม้ชันใดเรากล่าวบุคคล น, นี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดุดว่าลาหกให้ฝนตกแต่ไม่คำรามอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทมแต่ไม่ชอบพูด บุคคลเป็นดุวนนดลวลาหกให้ฝนตกแต่ไม่คำรามอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายลวลาหกให้ฝนตกแต่ไม่คำรามแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดุดวลาหกไม่คำรามทั้งไม่ให้ฝนตกอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนไม่ชอบพูดทั้งไม่ชอบทำ บุคคลเป็นดุดวลาหกไม่คํารามทั้งไม่ให้ฝนตกอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายวลาหกไม่คํารามทั้งไม่ให้ฝนตกแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดุดวลาหกคํารามด้วยให้ฝนตกด้วยอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ชอบพูดด้วยชอบทํำด้วย บุคคลเป็นดุจวลาหกคำรามด้วยให้ฝนตกด้วยอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายวลาหกคำรามด้วยให้ฝนตกด้วยแม้ฉั้นใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยวลาหกสี่จาพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกจบสูตรที่หนึ่งเสียงอ่านโดย ใจผ่านหมอกจาม